มีกรรมเกิดขึ้นจิตที่มีการปรุงแต่งอย่างนั้นเริ่มแปรคุณภาพไปมีคุณสมบัติร้ายเช่นความระแวงหวาดกลัวและความคิดร้ายเกิดมากขึ้นจิตปรุงแต่งอย่างนั้นบ่อยๆเกิดการสั่งสมคุณสมบัติร้ายจนเป็นลักษณะประจำและคุณสมบัติร้ายนั้นๆก็เป็นปัจจัยให้ทุกขเวทนาเกิดขึ้น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 พอหนื่อยเนยแดงๆงทิศพ่องคลําแขนป้อยหลวงพ่อทําไมทํากับผมอย่างนี้ล่ะทิศผ่องพูดเสียงกราวแสดงอาการว่ากําลังข่มความโกรธอ้าวเป็นไงล่ะท่านพระครูถามลอยลยก็หลวงพ่อตีผมผมเจ็บนี่ทิศพ่องตอบเสียงเครียดหน้าเนี้ย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 ย่อมไม่พ้นจากความยึดมั่นว่าผู้เจ็บมีเขาหารู้แจ้งไม่ว่าผู้ทํากรรมก็ไม่มีและผู้เจ็บก็ไม่มีนิฏฐานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้ารักจะพูดว่าไม่มีผู้ทากรรมก็ต้องเลิกพูดได้ว่าผมเจ็บ